พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปโดยลำดับถึงฝั่งคงคาลำดับนั้นพระมหาสัตร์ก็ไปรับสเสด็จให้เข้าสู่นครที่ตนสร้างพระราชาสเสด็จไปสู่ปราสาทอันประเสริฐในนครนั้นสนานพระวรกายทรงแต่งพระองค์แล้วสเสวยโภชนาหารมีรถอันเลิศทรงพักผ่อนหน่อยหนึ่งแล้ว เวลาเย็นทรงสั่งราชทูตไปยังสำนักพระเจ้าจุลนีเพื่อให้ทรงทราบว่าพระองค์เสด็จมาถึงแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหาราชสเสด็จไปถึงเควนกับปิละแล้วทรงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีพรมทั์ว่าข้าแต่พระมหาราชา หม่อมฉันมาเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงให้เป็นมเหสีของหม่อมฉันณนะบัดนี้เถิดบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าเพื่อถวายบังคมวันทิตุงความว่า พระเจ้าวิเทหราชมีพระชนแก่กว่าพระเจ้าจุลณีพระเจ้าจุลนีไม่พอที่จะเป็นแม้เพียงพระโอรสของพระเจ้าวิเทหราชแต่พระเจ้าวิเทหราชหมกมุ่นไปด้วยกิเลสจึงทรงดำริว่าพระเจ้าจุลนีเป็นพระสสุระที่เราผู้เป็นพระชามาดาควรถวายบังคมไม่ทรงทราบความคิดของพระเจ้าจุลนีจึงทรงสารถวายบังคมไป คำว่าโปรดพระราชทานณบัดนี้เถิดททาหิทานิความว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงส่งสารไปว่าพระองค์โปรดเรียกหม่อมชั้นมาว่าจะประทานพระราชธิดาขอได้โปรดประทานพระราชธิดานั้นแก่หม่อมชั้นในบัดนี้เถิดคำว่าประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำสุวรรเนนะปฏิชันนังได้แก่ ประดับด้วยเครื่องประดับทองคำฝ่ายพระเจ้าจุลณีได้ทรงสดับถ้อยคำของราชทูตก็ทรงโสมนัสดำริว่าบัดนี้ปัจจามิตรของเราจากไปข้างไหนพ้นเราจะตัดศีรษะเขาทั้งสองคนแล้วดื่มชัยยบาลเมื่อจะทรงสแสดงพระโสมนัสเหลือล้นให้ปรากฏจึงพระราชทานรางวัลแก่ราชทูตแล้วตรัสคาถาเป็นลาดับมาว่า พระเจ้าวิเทหราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายพระองค์หาเลิกอาวาหะมงคลไว้หม่อมฉันจัดถวายพระราชธิดาประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงแก่พระองค์ในคาถานั้นพระเจ้าจุลณีได้สดับสารของพระเจ้าวิเทหราชแล้วตรัสเรียกพระเจ้าวิเทหราชนั้น ตุดเสด็จอยู่เฉพาะพระพักว่าพระเจ้าเวเทหราชอีกในหนึ่งทรงสั่งให้ราชทูตไปทูลว่าพระเจ้าพรหมทัตจุลณีตรัสอย่างนี้จึงตรัสอย่างนี้ราชทูตได้ฟังดังนั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ทรงหาเลิกที่สมควรแก่การพระราชพิธีอาวาหมงคล พระเจ้าจุลณีจะถวายพระราชธิดาแด่พระองค์พระเจ้าวิเทหราชจึงทรงราชทูตไปอีกว่าวันนี้แหละเลิกดีพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็ได้ทรงหาพระเลิกครั้นหาพระเลิกได้แล้วจึงได้ทรงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าพรหมทัตว่า ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำห้อมล้องด้วยหมู่นางข้าหลวงให้เป็นมเหสีของหม่อมชั้นนบัตรนี้เถิดฝ่ายพระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าหม่อมชันจะถวายพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคา ห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงแด่พระองค์ในบัดนี้ครั้นพระเจ้าจุลณีตรัสคาถานี้แล้วตรัสลวงว่าจะส่งไปเดี๋ยวนี้จะส่งไปเดี๋ยวนี้ดังนี้ได้ประทานสัญญาแก่พระราชาร้อยเอ็ดว่าท่านทั้งปวงกับเสนาส8อักโคพินีจงเตรียมออกรบวันนี้เราจะตัดศีรษะข้าศึกทั้งสอง รุ่งนี้จะได้ดื่มชายบาลพระราชาร้อยเอ็ดเหล่านั้นทั้งหมดก็ออกในขณะนั้นทีเดียวภายพระเจ้ากรุงปัญจาละเมื่อจะเสด็จออกทำการยุติก็ยังพระนางสลากเทวีผู้พระราชมารดาพระนางนันทาเทวีผู้พระมเหสีพระปัญจาละจันทะผู้ราชโอรสพระนางปัญจาละจันทีผู้พระราชธิดารวมสี่องค์ ให้อยู่ในตำหนักเดียวกันกับนางสนมทั้งหลายจึงเสด็จออกสงครามฝายมโหสถบรมโพธิสัตทำราชสักการะเป็นนักหนาแด่พระเจ้าวิเทหราชพร้อมพวกเสนาที่โดยเสด็จชนบางพวกดื่มสุราบางพวกเคี้ยวกินมัชชะมังสาหารบางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอนเพราะมาแต่ทางไกล ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงพาอาจารย์ทั้งสมีเสนกะเป็นต้นประทับนั่งณพื้นพระราชมณียนที่ตกแต่งแล้วท่ามกลางราชบริพาลฝ่ายพระเจ้าจุลณีล้อมนครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับให้ติดต่อกันสามชั้นย่นเข้าเป็นสด้วยกองทัพสบปอักโขพินีมีคนจุดคบเพลิงนับด้วยแสนแสน ครั้นอรุณขึ้นก็เตรียมยึดเมืองตั้งอยู่มโหสถรู้ความก็ทรงโยธาสามร้อยคนของตนไปสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงไปตามทางชังคะอุโมงจับราชมารดามเหสีราชบุตรและราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาทางอุโมงอย่าให้อยู่นอกประตูมหาอุโมงให้อยู่ภายในอุโมงตั้งรักษาอยู่จนกว่าข้าจะมา จึงนำออกจากอุโมง์ให้อยู่ในโรงกว้างใหญ่ใกล้ประตูอุโมง์ในการเมื่อข้าไปชนเหล่านั้นรับคําสั่งมโหสถก็ไปทางชังคาอุโมง์เปิดไม้ลาดไว้ที่เชิงบันไดแล้วมัดมือเท้าคนรักษาในที่เชิงบันไดหัวบันไดและพื้นตําหนักและนางบําเรอมีนางค่อมแคะเป็นต้นแล้วปิดปากชนเหล่านั้นให้อยู่ในที่กําบังนั้นๆ แล้วเคี้ยวกินเครื่องเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุลนีทิ้งของอะไรๆเสียทำลายภาชนะทำให้ปนปี้เสียแล้วขึ้นสู่เบื้องบนปราศาสตการนั้นพระนางสลากเทวีทรงสำคัญว่าที่ไหนจะมีใครรู้จักพระนันทาเทวีราชบุตรราชธิดาเหตุอะไรจะเกิดมีจึงให้บรรทมอยู่ณนะพระยี่ผู้เดียวกันกับพระองค์ โยธาเหล่านั้นยืนร้องเรียกที่ประตูห้องพระนางจึงออกมาตรัสถามว่าทำไมพ่อโยธาเหล่านั้นจึงแซงทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระราชาของพวกเรายังพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วแวดล้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดเป็นเอกราชในสกลชมพูทวีปดิมชัยบาลใหญ่ด้วยพระเกียรติยศใหญ่ ทรงข้าพระองค์ทั้งหลายมาเพื่อพาเสด็จไปทั้งสี่พระองค์พระราชมารดาเป็นต้นทรงเชื่อจึงเสด็จลงจากปราสาทถึงเชิงบันไดยโยธาเหล่านั้นก็พาพระราชมารดาเป็นต้นเสด็จไปเข้าทางชังคอุโมงค์พระราชมารดาปรัสว่าข้าอยู่ในที่นี้สิ้นกาลนานเท่านี้ยังไม่เคยลงสู่ทางนี้โยธาเหล่านั้นทูลว่า ค่าแต่พระเทวีเจ้าชนทั้งปวงหาได้ลงสู่ทางนี้ไม่เพราะทางนี้เป็นทางมงคลวันนี้พระราชาตรัสสั่งให้นําเสด็จโดยทางนี้เพราะเป็นวันมงคลพระราชมารดาเป็นต้นทรงเชื่อลําดับนั้นโยธาบางพวกพาพระราชมารดาเป็นต้นมาบ้างบางพวกกลับไปเปิดคลังรัตนะในพระราชนิเวศถือเอาทรัพย์ตามปรารถนามาบ้าง ปายพระราชมารดาเป็นต้นเบื้องหน้าแต่จะถึงมหาอุโมงเห็นอุโมงราวกเทพสภาอันประดับแล้วก็ทรงสำคัญว่าจัดไว้เพื่อประโยชน์ใดพระราชาลำดับนั้นโยธาเหล่านั้นพาพระราชมารดาเป็นต้นไปสู่สถานที่ใกล้มหาคมคาให้ประทับในห้องอันตกแต่งแล้วภายในอุโมงพวกหนึ่งอยู่รักษา พวกหนึ่งไปแจ้งการที่นำพระราชมารดาเป็นต้นมาแล้วแก่มโหสถโพธิสัตว์มโหสถได้ฟังคำของโยธาเหล่านั้นก็มีความโสมนัสว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเพราะความกระสับกระส่ายด้วยกิเลสจึงทรงดำริว่า พระเจ้าจุลนีจักนำพระราชธิดามาให้เราบัดนี้ก็เสด็จลุกจากราชบัลังทอดพระเนตรทางช่องพระแกลเห็นพระนครมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันด้วยคบเพลิงนับด้วยหลายแสนดวงมิใช่แสนเดียวอันกองทัพใหญ่ล้อมรอบแล้วก็ทรงฉงนสนเท่รำพึงว่านั่นอะไรกันเนอเมื่อจะทรงหาหรืออาจารย์ผู้บัณฑิตทั้งหลาย จึงตรัสคาถานี้ว่ากองช้างกองมอ้ากองรถกองราบอันเป็นกองทัพสวมเกราะตั้งอยู่จุดคบเพลิงสว่างสวยัยบัณฑิตทั้งหลายย่อมสําคัญอย่างไรกันหนอบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าย่อมสําคัญอย่างไรกันหนอกิ น, นุมัญยันติความว่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามว่า พระเจ้าจุลนีโปรดปรานหรือกลิ้วพวกเราบัณฑิตทั้งหลายเข้าใจกันอย่างไรเนอะ